วิธีคิดแบบโยนิโสมนัสิการแบบที่6วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกวิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกหรือพิจารณาให้เห็นครบทั้งอัาธะอาธินะและนิสรณะเป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอีกแบบหนึง่งซึ่งเน้นการยอมรับความจริง ตามที่สิ่งนั้นนั้นเป็นอยู่ทุกแง่ทุกด้านทั้งด้านดีด้านเสียและเป็นวิธีคิดที่ต่อเนื่องกับการปฏิบัติมากเช่นบอกว่าก่อนจะแก้ปัญหาต้องเข้าใจปัญหาให้ชัดและรู้ที่ไปให้ดีก่อนหรือก่อนจะละสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหนึ่งต้องรู้จักทั้งสองฝ่ายดีพอที่จะให้เห็นได้ว่าการละและไปหานั้นหรือการทิ้งอย่างหนึ่ง ไปเอาอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการกระทำที่รอบคอบสมควรและดีจริงอัาทะแปลว่าส่วนดีส่วนอร่อยส่วนหวานชื่นคุณคุณค่าข้อที่น่าพึงใจอาธินวะแปลว่าส่วนเสียข้อเสียช่องเสียโทษข้อบกพร่องคำว่าอาธินวะ บางแห่งก็ใช้พอพานแทนวอลแวนเขียนเป็นอ อ, อ่างส ร, รอาทอทหารสาอีนอหนูพอพานแล้วอ่านว่าอาธีน ก, ก็ได้นิสระณะแปลว่าทางออกทางรอดภาวะหนุดรอดปลอดพ้นหรือสลัดออกได้ภาวะที่ปลอดหรือปราศจากปัญหามีความสมบูรณ์ในตัวดีงามจริงโดยไม่ต้องขึ้นต่อข้อดีข้อเสีย ไม่ขึ้นต่ออัศทะและอาทธีนวะของสิ่งที่เป็นปัญหาหรือภาวะที่สลัดออกมานั้นคำว่านิสรณะบางแห่งก็มีการันที่นอนเนนแล้วอ่านว่านิสสอนก็ได้การคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกแบบนี้มีลักษณะที่พึงย้ำสองประการคือหนึ่งการที่จะชื่อว่ามองเห็นตามเป็นจริงนั้นจะต้องมองเห็นทั้งด้านดีด้านเสีย หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆไม่ใช่มองแต่ด้านดีหรือคุณอย่างเดียวและไม่ใช่เห็นแต่โทษหรือด้านเสียอย่างเดียวเช่นที่ชื่อว่ามองเห็นการตามเป็นจริงคือรู้ทั้งคุณและโทษของกามขอเน้นอีกว่าไม่พึงเข้าใจความหมายของคําว่ากามแคบๆอย่างสามัญในภาษาไทยขอทําความเข้าใจด้วยตัวอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่ง พบชาวบ้านก็ทักทายถามสุขทุกข์ของเขาและครอบครัวของเขาถ้าไม่ถามด้วยเมตตาแต่มุ่งให้เขาชอบและนิมนต์อยู่รับการอุปธรรมบำรุงเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าปลาัยเพราะอยากได้กามลักษณะที่พึงยำ้ำของการคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกประการที่สองเมื่อจะแก้ปัญหาปฏิบัติหรือดำเนินมรรควิธี ออกไปจากภาวะที่ไม่พึงประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเพียงรู้คุณโทษข้อดีข้อเสียของสิ่งที่เป็นปัญหาหรือภาวะที่ไม่ต้องการเท่านั้นยังไม่เพียงพอจะต้องมองเห็นทางออกมองเห็นจุดหมายและรู้ว่าจุดหมายหรือที่จะไปนั้นคืออะไรคืออย่างไรดีกว่าและพ้นจากข้อบกพร่องจุดอ่อนโทษส่วนเสีย ของสิ่งหรือภาวะที่เป็นปัญหาอยู่นี้อย่างไรไม่ต้องขึ้นต่อคุณโทษข้อดีข้อเสียแบบเก่าอีกต่อไปจริงหรือไม่จุดหมายหรือที่ไปหรือภาวะปลอดปัญหาเช่นนั้นมีอยู่จริงหรือเป็นไปได้อย่างไรทั้งนี้ไม่พึงผีผามละทิ้งสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาหรือผีผามปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าทั้งที่ ท, ทรงทราบแจมแจ้งว่าการมีข้อเสีย มีโทษมากมายแต่ถ้ายังไม่ทรงเห็นนิสสระแห่งกามคือปีติสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามก็ไม่ทรงยืนยันว่าจะไม่เวียนกลับมาหากามอีก